มือมนุษย์ตอนที่5เรื่องขั้นของการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขาในบทนี้จะบรรยายให้ทราบถึงวิธีที่จะตัดอุปทานหลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญา ข้อปฏิบัติหมวดนี้เรียกว่าไตรสิกขาสิกขาขั้นแรกที่สุดเราเรียกว่าศีลซึ่งหมายถึงการประพฤติดีประพฤติถูกต้องตามหลักทั่วๆไปไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนมีจำแนกไว้เป็นศีลห้าศีล8ศีล 10, ส0ศีล227หรืออื่นๆ อ, อ, อีก เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษขั้นต้นๆทางกายทางวาจาของตนที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมหรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จําเป็นแก่การเป็นอยู่ศิษขาขั้นที่สองเรียกว่าสมาธิข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่จะทําประโยชน์ให้มากที่สุด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 ในทางธรรมะแล้วไม่เป็นอันเดียวกันความเข้าใจนั้นอาศัยการคิดคำนึงด้วยการใช้เหตุผลบ้างหรือการคาดคะเนเอาตามเหตุผลต่างๆบ้างส่วนความเห็นแจ้งไปไกลกว่านั้นคือต้องเป็นสิ่งที่เราได้ซึมทราบมาแล้วด้วยการผ่านผจญสิ่งนั้นๆมาด้วยตนเองหรือด้วยการมีจิตใจจดจอ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆ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 ปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องเป็นการรู้แจ้งเห็ er ati, rauen, hammer, no at, นแจ้งด้วยน้ำใสใจจริงด้วยการผ่านผจนสิ่งนั้นๆมาแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจนฝังใจแน่วแน่ไม่อาจลืมเหลือนได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาในทางปัญญาตามสิกขาข้อนี้จึงต้องใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของตนเองเป็นเครื่องพิจารณาหรืออย่างน้อย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 อานิสงค์ของศีลมีหลายอย่างด้วยกันแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอานิสงค์อย่างอื่นๆเช่นว่าให้เป็นสุขหรือให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมุ่งหมายโดยตรงท่านมุ่งหมายโดยตรงถึงข้อที่จะให้เป็นที่เกิดที่จเจริญของสมาธิศีลจะส่งเสริมให้เกิดสมาธิได้โดยง่าย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 อย่าถือว่าเป็นของคลึ๊โง่เขลางมงายพ้นสมัยเลยมันยังคงเป็นของสาคัญที่สุดซึ่งต้องใช้กันอยู่เรื่อยไปและยิ่งในสมัยที่โลกมีอะไรอะไรหมุนเร็วแทบจะลุกเป็นไฟอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งจะต้องการสมาธิมากไปเสีกว่าครั้งพุทธกาลด้วยซ้าไปอย่าไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องไปวัดหรือเรื่องสาหรับคนวัด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 ปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ใต้จิตสํานึกนั้นมันจะมีคําตอบโผลงออกมาเฉยๆอย่างไม่มีปีมีครุยต่อเนื่องจากขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นแต่ว่าถ้าหากมันยังไม่โผล่ออกมาเราก็ยังมีวิธีอื่นอีกอันหนึ่งคือให้น้อมจิตไปสู่การพิจารณาปัญหาที่เรากําลังมีอยู่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 ถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคยหลงรักหลงยึดถือถ้ายังรีบเข้าไปหาสิ่งทั้งปวงด้วยความหลงรักด้วยความยึดถือด้วยความหลงไหลแล้วไม่ใช่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาที่ว่าชะ ง, งักหรือถอยหลังนี้ไม่ใช่ทางกริยาอาการเช่นจะต้องจับสิ่งนั้นสิ่งนี้คว้างทิ้งหรือทุบตีให้แตกหักหรือว่าต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างนี้ก็หาไม่ได้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 หรือเข้าป่าไปบวชเป็นฤาษีและเอาไฟจุดเผาสิ่งต่างๆเสียให้หมดภายนอกจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องยังคงเป็นไปตามเหตุผลตามความเหมาะสมแต่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งใดอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปนี่คืออนิสงค์ของปัญญาท่านใช้เรียกด้วยคำบาลีว่าวิมุตติหมายความว่า หลุดพ้นจากการเป็นทาตของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะทาตของสิ่งที่เรารักแม้แต่สิ่งที่เราไม่รักเราก็ตกเป็นทาตของมันเหมือนกันเป็นทาตตรงที่ต้องไปเกลียดมันนั่นเองอยู่เฉยๆไม่ได้อุตส่าห์ไปเกลียดมันไปร้อนใจกับมันมันบังคับเราได้เหมือนกับของที่เรารัก แต่อยู่ในลักษณะคนละอย่างฉะนั้นคำว่าเป็นาธาตุของสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมหมายถึงทั้ง ท, งทางที่พอใจและไม่พอใจทั้งหมดนี้แสดงว่าเราหลุดออกจากการเป็นาธาตุของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระอยู่ได้ด้วยอาศัยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงได้วางหลักไว้สั้นๆที่สุดว่า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 ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงโดยการทำลายอุปทานสี่ประการเสียได้หมดสิ้นความยึดติดทั้งสี่นั้นเป็นเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดล่ามเราไว้ปัญญาก็เป็นเสมือนมีดที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นให้ขาดไปจนไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ให้ติดอยู่กับสิ่งต่างๆได้อีกต่อไป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 มีอะไรอะไรทุกอย่างที่ศาสนาอื่นๆมีและยังมีอะไรบางอย่างมากไปกว่าที่เขามีกันฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานี้เป็นของคนทั่วไปหรือเป็นศาสนาสากลที่ใช้ได้แก่คนทุกคนทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าทุกคนมีปัญหาความทุกอย่างเดียวกันหมดคือทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตาย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 อันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยท่าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรรู้ธรรมช่ำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสัง มีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอ่ย